สิบเอ็ดความแตกต่างของเบื่อด้วยนิพิธาและเบื่อด้วยโทสะวงเล็บเปิดหนึ่งมีนาคมสองพันห้าอห้าสิบเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบเจ็ดวงเล็บปิดถ้าเราเจริญสติมากๆนะเราเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไป ในที่สุดไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็เบื่อเหมือนๆกันเพราะรู้อยู่ว่าเป็นของชั่วคราวเบื่ออย่างนี้ไม่มีปัญหาเบื่ออย่างนี้เรียกว่านิพพทาเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดเลยส่วนเบื่อด้วยโทสะนะเราเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเราก็ชอบเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ชอบมันไม่เท่าเทียมกันเราอยากได้อย่างหนึ่งอยากผลักอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่เบื่อที่เป็นปัญญาแต่เบื่อธรมธรมดาธรรมดาตามใจกิเลส เบื่อที่จะรู้สภาวะเป็นเบื่อด้วยกิเลสเบื่อที่จะรู้ไม่ได้นะต้องพยายามสู้ไปมันเบื่อเราก็รู้ว่าเบื่อไปรู้ไปเรื่อยมันจะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างให้อดทนไปอีกให้ดูความเบื่อไปเช่นเดียวกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นแหละคือเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้ว